พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อยแปดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดดอนทานีแสดงธรรมในวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้า้อยหกสิบมีชื่อเรื่องว่าใจบรดมโง่หลอกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมีนาคม เดือนมีนาล้วนะลูกรานนั่นสนะวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2560ัล้วกแลก็เดือนนี้แหละเป็นเดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาตรงกับสวนแสงธรรมพุทธมณฑ น, นที่หลวงพ่อไปเกือบทุกเดือนเว้นน้อยแต่เดือนมีนาหลวงพ่อคงไม่ได้ไป สวนแสงธรรมคงจะไปวัดสำนักชีคุณแม่ชีแก้วทําให้เจ็บไม่ป่วยนะเพราะว่าเป็นวันครบรอบทําบุญนําลึกถึงคุณแม่อาทิตย์สุดท้ายแตตาไม่ญิงคุณแม่มรณภาพเดือนมิถุนานะเดือนมิถุนาแต่เดือนมิถุนาเป็นเดือนที่ฟ้าฝนในคนในละแวกนั้นเขาทำนาเขาตกก้าทํานา ไม่สะดวกหลวงพ่อก็ไล้ล่นกลับคืนมาเป็นวันที่สีมันเป็นหน้าแรงเหมาะที่จะจัดการงานลำลึกถึงแต่ที่ตามไม่จริงก็เราเป็นลูกค้าชั้นดีจ่ายหนี้ก่อนกำหนดนะถ้าเข้าข้างตัวเองนะ เพราะนั้นให้คณะทศไทยญาติโยมที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเตรียมตัวเตรียมการเตรียมใจท้าจะมาร่วมทาบุญวันที่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทาบุญครบรอบวันพระนะของคุณแม่ชีแก้วในหลัวกวันนี้ก็เป็นวัน นึที่พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกคนนะหลักของพุทธศาสนาท่านเราดูต้นตอบรุมครูของพวกเราเราจะไม่มีการถกเถียงอะไรกันมากท่านเราเดินตามพ่อก่อตามครูแต่พ่อของเราคืออะไรพ่อของเราก็คือเนี่ยท่านเสด็จเสียสละออกจากเวียงหวัง ขนาดพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีบริบูรณ์หมดทุกอย่างท่านไม่แยแสเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องต่างๆขนาดเวียงวังพระองค์อยู่ด้วยพร ะ, กะเกษมสำราญมีอัคคีเหสีมีบุรมีบริวารมากมายเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินสมบูรณ์ โดยทรัพย์สมบัติกรุงกบิลพัทแต่พระ อ, องค์ทำไม่ท่านมองเห็นความเกิดความเสื่อมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระ อ, องค์จึงมองดูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นสาระประโยชน์ปู่ย่าตายายของพระ อ, องค์พระอายกงอายกาของพระ อ, องค์ ก็มาณะภาพลงไปเป็นทอดทอดกันมาต่อมาก็มาถ่ายทอดถึงพระ อ, องค์มาถึงพระ อ, องค์อีกต่างหากามันทอดเข้ามาเรื่อยๆจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทอดลงไปถึงพระราชโอรสอีกต่อพระอีกออันนี้คือความตายพระ อ, องค์มองเห็นแล้วหาสาระประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราฟังดูเท่นี้แหะคือบ่อหลุมมครคลู ตน า, นาสดาจันนั้นพระองค์จึงหนีออกจากเวียงวังไม่ใช่หนีธรรมดาหนีออกกลางกลางคืนอีกต่างหากหนีออกจากเวียงวังไปบาเพ็ญพตอยู่ในป่านั่งขี่ม้าออกไปกับนายชนะศักดิจากสมัยนั้นไม่มีรถยนต์ <c oughs> มีแต่รถมีแต่มา้าซ้อนท้ายกับนาย น, นนะ วิ่งตบตบตะบึงตะบึะบจนไปถึงแม่น้ําอโนมาณทีไปฝั่งถึงฝั่งแม่น้ําก็คงจะไ ม, ไม่ไม่ไม่ใช่แม่น้ําสายใหญ่นะจากนั้นพระองค์ก็เลยหยุดอยู่ที่นั่นเพราะมันเป็นที่จาเลเป็นที่เหมาะเป็นโคดหินเป็นมีที่นั่งนี่แหละอันนี้มาถึงพวกเราท่านทั้งหลายทนเอจะเป็น คารวะอยากโยมจะเป็นพระอยู่ที่ไหนก็าตามเรามาแย่งกันเรื่องเรื่องลาบเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่ใช่พิสัยของพุทธะแต่จะยังไงให้มีกัเป็นปัจจัยอาศัยแต่จะไปทุกข์กำมันอันนั้นคือปัจจัยของส่วนกลางสองพุทธศาสนาของหลวงพ่อมีไหมหลวงพ่อไม่ปฏิเสธแต่ว่า เราถือว่านี่คือสมบัติของพระพุทธศาสนาเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสน า, อ, าอย่างนี้แหละแต่ไม่ให้ใครเดือดร้อนเราจะเป็นเน้นที่พระองค์อถอยออกไปแล้วเหมือนกับสเลดหรือว่าน้ำลายของท่านของท่านทิ่งแล้วนะพวกเราไม่ควรจะยึดจุดนั้นควรจะยึด ในทมคำสอนที่พระพุทธองค์ตัดสรุอะไรในวันเดือนหกเผ่นนั้นท่านมีความคิดอย่างไรที่ท่านได้ตัดสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเผ่นนั้นจุดนั้นเป็นจุดที่เนหัวใจของพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือสมถะและวิปัสสนาไม่ใช่ทานศีล น, นะอา่า ไม่ใช่ทานไม่ใช่เงินคำทรัพย์สมบัติไม่ใช่อยู่ในกฎระเบียบพราะพ ร, ระองค์อยู่องค์เดียวยังไม่มีใครเข้ามาพระองค์อยู่องค์เดียวมีแต่ความดูความคิดของพระองค์องค์เดียวแนวความคิดในขณะนี้คิดเรื่องอะไรเพราะอยู่คนเดียวแต่ที่ยังไงก็เถอะการอยู่คนเดียวแนวความคิดของคนคนเดียวนั้นก็มีมากลากหลายอีกเหมือนกัน ถ้าไม่มีมากหลากหลายพระ อ, องค์จะเห็นพยามาล น, นางตันหาราคาอราดีมาลบกวนพระ อ, องค์ได้อย่างไรในขณะที่พระ อ, องค์อยู่ตามลำพังนี่แหละอันนี้ก็คือความนึกคิดนั่นเองเป็นตันหาราคะนึกขินนึกถึงย้อนถึงการเป็นอยู่สมัยเป็นครวัตถ์ถ้าเราเปรียบเทียบกวับพยาบาลคืออะไรพยาบาลก็คือความหลงเป็นพื้นฐาน จากนั้นก็มีความหลงขึ้นมาแล้วก็เห็นราคะความกำหนัดกินดีตันหะตาคะตันหาความเรียดทะยานออรดีคือการเป็นอยู่เป็นอยู่ด้วยกอนก็มีความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันเป็นธรรมดาเกิดอยู่ในโลก น, ะนี่แหละอันนี้พระ อ, องค์ก็เห็นมาทั้งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะั่นน่ะมันเป็นเป็นเครื่องบัญทอนทางด้านจิตใจ จากนั้นพระ อ, องค์จึงตั้งจิตให้แน่วแน่อธิษฐานถึงบา ร, รมีของพระ อ, องค์จึงมีนางธรณีบิดมวยผมคือน้ำพระไทยขององค์อย่างแน่วแน่จากนั้นพยามาันเสนาแมนาละเลงละลายหายไปกับน้ำพ่อยไรเพราะพระ อ, องค์เหนือกว่า ใจพระไทยของพระองค์เหนือกว่านะนี่แหละอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาจากนั้นพระองค์ทำยังไงจากพระพงษ์เนี่ยเรื่องสมาธิคือความตั้งใจมั่นจิตใจพระองค์เป็นสมาธิที่จับใจให้เน่งไม่ให้คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นให้มีสติ สติคือความระลึกได้สัมปชัช ญ, ญะคือความรู้ตัวรู้ตัวอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นะเราฟังอยู่ฟังหลวงพ่อพูดอยู่นะอันนี้ก็คือให้มีสติอยู่กับตนเองไม่ใช่ว่าขณะฟัง น, นูใจอยู่อเมริกาไปหยุดต่างประเทศด้นะไปหยุดร้านอาหารไปสนุกสนานกับหมู่พเพื่อนนะไม่ใช่อันนี้ให้มีสติอยู่ระลึกได้สัมปัญญะ ให้มีความรู้ตัวอยู่ขณะหนานี้นี่แหละคือหลักธรรมคำสอนของพุทธะอันดับแรกตั้งต้นจุดนี้ตั้งต้นจุดที่ไม่ให้มีให้มีสติสัมปชัญญะนี่แหละถ้าคนไม่มีสติสัมปชัญญะเลื่อนลอยลุมล่มหลง เ, ออเลอะเทอะไม่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะเป็นคนไม่ใช่แนวแถวของพุทธะ แนวแถวของพุทธะที่ตั้งต้นใหม่ที่พระองค์นั่งยุบคนโคลนต้นโพน ะ, ะหันพระพักไปทางทิตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายกาหนดลมหายใจเข้าร้วาหายใจเข้านะี่อันนี้ก็คือตั้งต้นการตั้งต้นเริ่มต้นใหม่คือให้มีสติสัมปชัญญะจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบเป็นหนึ่งมองดูตนเองมองดูสรพสัตว จากนั้นก็มองเข้ามาหาใจคือตัวผู้รู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีประมาณเพราะอะไรเพราะกิเลสมองเห็นแลนะแต่เนี่ยเพราะใจผ่านความสงบใจใจผ่านความเป็นหนึ่งแล้วใจผ่านความเป็นหนึ่งแล้วใจผ่านความสงบแล้วนะมันมองเห็นได้นะถ้าว่าใจของเราไม่สงบใจไม่เป็นหนึ่งใจมันพลามันจะมองไม่เห็น ในเมื่อพวกมองเห็นะใจตรงนี้เป็นยังไงท่านก็เห็นมองเห็นกําหนดดูรู้ใจคนนี้มันออกไปทางไหนทางกิเลสราคะพอราคะท่านก็พิจารณาทำไมจึงเป็นราคะเพราะกําหนัดยินดีในโลกท่านก็พิจารณารูปเ ก, กสาผมโลมาขนให้เห็นเป็นอสุภะปฏิกูลร่างกายของเราเป็นปฏิกูลนะผลให้ถูกคน่ะเท่าแก่ชะลา ปุ่ได้สูล่ลงจุดจบลงแผ่นดินเห็นแต่เป็นกระดุกไฟเผาทิ้งเมื่อตายไปแล้วอันไหนคือความสวยงามใจคือตัดออกไปหละพิจารณาให้ชัดเจนเห็นแต่กระดุกเห็นแต่ว่าไปตามสภาพของมันคำว่าเสร็จสวย ง, งามอย่าเอาเข้ามาอย่าพิจารณาในช่วงนั้นพอเราจะตัดกิเลสราคะคือความกำนัดกินดีของเราเนี่ยพระ อ, องค์ก็มองดู ร่างกายของเราไม่แช่มองมองคนอื่นด้วยพอมองคนอื่นก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับคนอื่นอันนี้ในเมื่อเห็นเป็นดินน้ำลมไฟกามกิเลสจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนกรยก็มองเห็นมันโทสซาโซสซาเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นเพราเป็นตัวตนของเราในเมื่อร่างกายเป็นจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรมันเป็นธาตุสี่ดินน้าลมไฟ แโมหะมันหลงอะไรมันหลงว่าตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมมันต้องตายนะอย่าหลงนะมันก็มองหาตัวผู้รู้คือใจพระท่านทรงก็มองเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจนี่แหละไปหลงไปหลงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นเรื่องทั้งหลายมันอยู่ในใจทั้งหมดเลยในเมื่อบุตใจมันก็หัน ความรู้สึกนึกคิดเน่ยความรู้สึกนี่เข้ามาอยู่ใจปรับปรุงใจเลยพอดูใจเข้าไปก็รู้แล้วว่าอืมใจตรงนี้นะ่ะมันเป็นตัวการใหญ่เป็นผู้ออบงการเป็นผู้ออกไปข้างนอกเรื่องนั้นเรื่องนี้จิปาถาห้าร้อยแปดพันประการออกไปจากใจทั้งหมด อ, อท่านจึงให้คํําคาจํากัดคําเลยทีนะี้มโนปุพังขามาธรรมา เรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านี่แหละการพิจารณาธรรมและการประพฤติธปฏิบัติธรรมหนอกนีออกจากจุดนี้ไม่ได้ให้พวกเราศึกษาดูนะเมื่อจิตใจผ่านต้องผ่านความสงบซะก่อนถ้าจิตใจของเราไม่ได้รับความสงบแล้วมันจะมองไม่เห็นนะขณะทัศท์ญาติโ ย, ยมลูกหลานมันพลาดไปหมดมันหลงเ อ, อมันหลงมัวมองไปหมดถ้าจิตใจ ผ่านความสงบแล้วเน่งแล้วนะ่ะมาพิจารณาเราจะเห็นได้กายใจอใจไปหลงกายพอหลงกายก็หลงโลกหลงทางอะไรเนื่องหลงทรัพย์สมบัติเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ผีน้องสามีภรรยาลูกหลานหลงวัดว า, าศาสนาว่าเป็นของตัวเองทั้งหมดพอมันหลงกายซะก่อนในเมื่อเรามาพิจารณากายเห็นกาย ขนาดกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังเสื่อมสลายหลงสูดดินน้ำลมไฟใจใจะไปยึดอะไรขนาดกายก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเรามองดูนะัออ้าพอเนี้ยก็มองดูใจใจไปหลงในสิ่งเหล่านั้นไปหลงเพราะอะไรนะเพราะมันมีเชื้ออยู่ในใจพรือพมีความโลภและก็ความโกรธและก็ความหลง ราคะโมหะราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจจากนั้นก็ใช้ตปะธรรมคือสินสมาธิปัญญาเลยก็ามาดูพิจารณากันกลองไตรตองจากนั้นก็กิเลสเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วก็นะเออกลุดพ้นเหมือนกับส ก, ก่อนเราไม่รู้กอไก่ขอไข่ไม่รู้ A อบ D ซดีเออ แต่พอมันรู้ขึ้นมาเรียนรู้ขึ้นมาไอ้ตัวไม่รู้มันหายไปไหนมันก็หายลงจุูตรงที่มันมันไม่รู้นะพอรู้ขึ้นมาตัวรู้ขึ้นมาแล้วตัวไม่รู้ก็หายไปนี้ก็เหมือนกันไอน้เมื่อเริ่มเมื่อเรารู้จริงเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคายไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นตู้แต่งตู้เห็นเป็นจริงแล้วเนมะื่อลดพลเนี่ยไม่ลงแล้ว ดูตามความเป็นจริงแล้วแล้วมันจะมันจะหลงไปได้ยังไงแล้วมันจะเอาอะไรมาอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันนี้แหละคือหลักทำคำสอนของพุทธาพนะระนกรอยให้พวกเราทุกๆกท่านนะอันดับแรกกับพิจารณาภายนอกซะก่อนต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องการอยู่ด้วยกันอันนั้นคือเป็นเรื่องภายนอก แต่ในพวกเราเนะ่ยเอามาเอาเรื่องภายนอกเอาเรื่องทานเรื่องศิลเรื่องร่ำเรื่องรวยมาเป็นเนื้อเป็นหนังของพุทธศาสนาอย่างบ้านเมืองทุกวันเนะี่ยนั่นแนหะมันไม่ใช่แนวแถวของพุท ธ, ธถ้าศึกษาแนวแถวของพุทธเลยจริงไหมที่หลวงพ่อพูดเนะ่ยพราะพระพเจ้าเป็นกรรษัตริย์หนีออกจากเวียงวันวันหวังแล้วพวกเรานะทําไมไมาแย่งกันขี่เฉลต ที่ถุยออกไปแล้วนะ่พวกเรามาแย่งกันเรื่องลาบเรื่องยศถึงจะสร้างอาณาจักรขนาดไหนเถอะก็คงจะไม่ใช่ไม่ไม่ใหญ่เท่าอาณาจักรของสิท ธ, ธั์ธรรมพรเจ้าของเร า, ราผราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะปกครองโดยเบ็ดเส็จขนาดนั้นพระองค์ยังเสียสละยังหนีเพราะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สาระไม่ใช่สาระที่แท้จริงไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้จริง เป็นแต่เพียงปัจจัยอาศัย <c oughs> ชั่วยังมีชีวิตยอยู่เท่านั้นแล้วกับคนที่ตระกูลของพระองค์ที่ปกครองมาไปไหนหมดแล้วพระองค์ละ่ะจะอยู่จะไม่ไปไหนอย่างนั้นใช่ไหมนี่พระองค์ก็มองดูพระองค์อีกเหมือนกันเพราะฉนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ทั้งปวงี่ในโลกนี่นะ มันไม่มีรู้ว่ากี่ยุคกี่สมัยเกิดมายุคนั่นเขาก็ว่าเขาเนี่ยละ่ะข้านี่หละ่ะพยอพองตัวข้าเป็นใหญ่ข้ามีอํานาจข้ามีวาศนาเอข้ามีเงินทรัพย์สมบัติมากข้านี่เป็นผู้ใหญ่กว่าทั้งหลายทั้งปวงฮผลที่สุดกันนะ่ะเก็บเข้าฉากทั้งหมด เ, เมื่อกัรเราออกไปเล่นละครเอเอออกมาข้าเป็นยักษ์ข้าเป็นอพระยามารข้าเป็น อนุมาลข้าเป็นทศกัณฐ์ข้าเป็นพระรามอะก็ว่าดกันไปผลให้สู่กัน่เก็บเข้าฉากจบนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละโลกนี้คือโลกละครโรงใหญ่ละครโรงใหญ่ต่างคนก็ออกมาวางรวดลายวางไม่ใช่วางธรรมนะัวางแบบลุ่มหลงมัวเมาอีต่างหากเนะว่าตัวเองเป็นพระรามจริงๆริงว่าตัวเองเป็นทศกัณฐ์จริงๆริง ท, ที่แท้ไหนเอย มันเป็นหัวโขนผลที่ถูกกัน เ, เก็บเข้าวักบมาหลอมมาแหลมเอาไปเผาไฟทิ้งทั้งหมดเอาไปฝังดินทิ้งทั้งหมดมีตกะกั่ดุเนี่ยเจียงไหมพวกเราคิดดูสิเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกแต่อย่าไปติดโลกเหมือนกับน้ําค้างใบบอนใบบัวอย่าง น, นีอยู่กับใบบอลใบบัวแต่มันกลิ้งไม่ติดใบบัวใบบัวใบบอลเนี่ก็เหมือนกัน เราอยู่ในโลกแต่ไม่ติดในโลกต้องรู้เท่ารู้ทันว่าเราควรจะทำตนอย่างไงเราอยู่ในสถานะไหนในขณะนี้ท่านหลวงพ่ออยู่ในสถานที่เป็นหัวหน้าที่เป็นหัวสมภารเป็นเจ้าอาวาสเราจะวางตัวอย่างไรในฐานะอย่างนี้เราก็มองดูสมภารทั้งหลายพ่อแม่คู่บาอาจารย์พาดาเนินมาอย่างไรในสถานะอย่างนี้ จากนั้นเราก็วางตัวตามสถานะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอันนี้จะเป็นว่าประเพณีประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ท่านก็บง้งครูบาอาจารย์ของท่านอีกเหมือนกันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่เป็นอาจารย์ท่านวางตัวอย่างไรวางผิดและวางถูกท่านก็ต้องใช้ปัญญาของท่านอีกขนาดพระพุทธเจ้าก็ยัง เป็นพุทธประเพณีอย่างทงพ่อได้พูดเมื่อวานพระพุทธเจ้าเมื่อได้ ต, ด ร, ต ร, รัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านก็มองดูว่าเออสมัยนั้นพระพุทธเจ้าออกัจจปโนะี่ที่องค์ที่ท่านติดมานะเนีกุกุสันโธโกนะขมโนโกณคมโ น, โ น, มโนท่านทำยังไงกุกุสันโธ ท, ทำยังไงนั่นนะท่านก็มองออดูไป ประเพณีของพุทธท่านก็เดินตามแนวแถวของพุทธเหมือนกันเรียกว่าพุทธประเพณีพวกเราในสาวกะสาวกะแปลว่าผู้ศักดิ์ผู้สดับจากพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนให้เราเราก็ประพปฏิบัติตามสาวกะสาวกท่านถ่ายทอดกันมาอย่างไรสมัยครั้งพุทธกาลท่านถ่ายทอดกันมาอย่า ง, างมาถึงวัดอย่างวัดของเรามีวัดว่าศาสนา มีกฎมีระเบียบมีกิจวัตรข้อวัดรักษาศีลอย่างไงปฏิบัติอย่างไรการอยู่ด้วยกันอันนี้คืออยู่ในสถ า, านะไหนเราเป็นสถาานะเด็กเป็นนาคเราอยู่ในสถานสถานะเนนเราอยู่ในจัดสถานะพระน้อยพระเข้ามาขึ้นมาใหม่ต่อมา ก, กันไล่ขึ้นมาเรื่อยอจนถึงพระ ที่ลองลงไปจากหลวงพอ่อจากนักก็ไล่ขึ้นมาจนถึงหลวงพอ่อจากนักก็สาญญาัทธายาดโยมอยู่ในสถานะไหนให้อยู่ในสถานะของตนเองถ้านทุกคนอยู่ในสถานะอยู่ในความรอบครอบไม่ก้าวกายกันแล้วก็รู้จักจุดประสงค์ของเราคืออะไรที่เขามาอยู่ในจุดนี้เราต้องการอะไรเรามุ่งหวังอะไร เราต้องการลาบยศใช่ไหมต้องการสรรเสริญใช่ไหมมันไม่ถูกทางนั้นต้องการมรรคผลนิพพานที่จะชำระใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนั้นคือตามแนวแถวของเออจริญะาหรือว่าตามแนวแถวสาวกะประเพณีพุทธะประเพณีสาวกะประเพณีอุบาสกอุบาสิกาประเพณีออ อุบาสกอุบาสิกาประเพณีทำไงก็คือเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีสัมมาคารวะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นอยู่ในกรอบคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอันนี้แหละอันนี้อยู่ในสถานะของคารวะญาติโยมเป็นเขาเป็นชีก็อยู่ในสถานะแม่เขาแม่ชี้ผู้ที่ท่านได้มรรคผลไปยังไงยกตัวอย่างของคุณแม่ชี้แก้วท่านพาดําเนินอย่างไร ท่านไม่ได้โดดซ้ายโดดขวาโดดหน้าโดดหลังอะเป็นม่นชีอยู่กับวัดวาศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมทำกิจจวัตรข้อวัดเอทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ส, ส่งเสริมพุทธศาสนาเราจะทํำสิ่งไหนได้พระสงฆ์ก็อยู่ในสถานะพระสงฆ์นี่แหละสรุปแล้วก็คือให้มองตนเอง อย่าลืมเจ้าของสรุปแล้วถึงจะลืมไปกระเทานนันแหละอีกสักวันหนึ่งเขาออกเข้าหีบเข้าลงเอาไฟเ ผ, ผาทิ้งทั้งหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรามีชื่อเสียงกว่าเราไปไหนอย่างองค์หลวงตาเห็นไหมเราจะเปรียบเทียบขี้เท่าขี้ผงท่านไหมพระพุทธเจ้ายิ่งเลิศกว่าพระองค์กระดับขันปริธิพานแล้วเราเป็นใคร เราจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมถ้าคิดว่าเราจะไม่ไปก็บอหลงมาโง่ไม่ใช่โง่ธรรมดาอีกเหมือนกันนะหลงตัวเองจนเป็นบอลงมาโง่ไม่ใช่ไม่ใช่โง่ธรรมดาเพราะนั้นพวกเราต้องมองรุุนเอกนั้นศนัทธาญาตโยมภาเนศลูกหลานนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในเสนีนะ